วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราหยุดทํางานทําการทางโลกกันแล้วให้เรามาทํางานทางธรรมกันหยุดหาความสุขทางร่างกายเพื่อให้มาหาความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ดีกว่า เป็นความสุขที่ทนทานที่ถาวรกว่าความสุขทางร่างกายที่จะต้องมีวันเสือ่อมวันหมดไปเพราะร่างกายของพวกเราก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปพอตายไปความสุขทางร่างกายก็หมดไป ในทางตรงกันข้ามใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายความสุขทางร่างกายไม่ได้หายไปไม่ได้หมดไปกับกับร่างกายเราจึงต้องมาสร้างความสุขทางใจกันเพื่อเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ เราก็จะได้หาความสุขทางใจกันเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่สามารถหาความสุขทางใจได้เวลาร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เราก็จะทุกข์กันมากและอาจจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายก็ได้เพราะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ดังนั้น การหาความสุขทางใจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างมากสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักบวชเท่านั้นทุกคนนี้มีปัญหาอันเดียวกันคือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทุกคนต้องการมีความสุขเหมือนกันดังนั้นทุกคนก็ต้องมาหาความสุขทางใจกันเพราเวลาที่ ไม่มีความสุขทางร่างกายเราจะได้มีความสุขทางใจมาทดแทนได้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางลงเรือเดินทางไปในทะเลเขาจะมีชูชีพไว้สำรองเผื่อเวลาเรือล่มเราก็มีชูชีพไว้พยุงไม่ให้เราจมน้ำกัน ถ้าไม่มีชีวิตเวลาเรือล่มเราก็จะล่มไปกับเรือจมไปกับเรือตายไปกับเรือนี่คือธรรมะของพระเจ้าเหมือนชีวิตเหมือนเรือเรือสำรองเรื อ, อยางเวลาที่เรือใหญ่ล่มจมเขาก็มีเรื อ, อยางให้คนได้อา่า อาศัยลอยอยู่ในทะเลได้ไม่ถึงกับจะต้องจมน้ำตายไปนี่คือเอรือหรือชูชีพของพวกเราพวกเราต้องมีชูชีพไวสำหรับเวลาร่างกายนี้มันไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราจะได้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาหาความสุขกัน ถ้าเราไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าใจของเราจะไม่มีความสุขจะหาความสุขไม่เป็นถ้าเรามีธรรมของพระพุทธเจ้าใจของเราจะหาความสุขได้จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอันเครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรา สร้างขึ้นมาก็คือศีลศีล8ดสำหรับผู้เริ่มต้นก็ศีลแปดถ้าผู้ที่ก้าวหน้าผู้ที่เจริญต้องการที่จะรักษาศีลให้เต็มที่ก็ศีลสองยบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อ เพราะศีลนี้จะเป็นตัวที่กั้นไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายกันถ้าไม่มีศีลแปด น, นี่เรายัางไปหาความสุขทางร่างกายได้เช่นเราถ้าเราถือเพียงศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาเราก็ยังสามารถที่จะ ทำอย่างอื่นหาความสุขทางร่างกายได้เช่นรับประทานอาหารเราก็ยังรับประทานได้ทุกเวลาที่เราต้องการแต่ถ้าเรามาถือศีลแปดเราก็ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารตามความอยากได้เพราะเราจะไม่สามารถรับประทานอาหาร หลังเที่ยงวันไปแล้วได้ต้องรับประทานก่อนเที่ยงวันรับประทานเพื่อร่างกายให้อยู่ได้ก็พอแต่ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขทางร่างกายถือศินแปดก็ห้ามและไม่ให้หาความสุขทางร่างกายจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานตามความต้องการ ถ้ารับประทานตามความต้องการของร่างกายก็มือเดียวก็พอวันละมื้อก็พอหลังจากเคีื่ยงวันก็ไม่รับประทานอาหารอีกต่อไปอยู่ได้ร่างกายไม่ตายรับรองได้คนเขาไม่กินข้าวเขายังอยู่ได้เลยแล้วกินมื้อเดียวทำไมจะอยู่ไม่ได้มื้อเดียวก็ไม่ได้ห้ามจะกินกี่คำก็ได้กินให้มันแน่นท้องไปเลย ให้มันกินหนเดียวจะได้ไม่มาเสียเวลากับการกินอาหารรับประทานอาหารจะได้เอาเวลามาสร้างความสงบสร้างความสุขทางใจความสุขความสงบทางใจนี้ต้องมีเวลามาอยู่คนเดียวมามีเวลามาเจริญสติเพื่อที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ เราจึงต้องตัดกิจกรรมต่างๆไปเพื่อจะได้เอาเวลามาทำกิจกรรมที่จะทำให้ใจมีความสุขมีความสงบดังนั้นเราต้องถือศีลแปดกันในวันพระวันนี้เราจะไม่หาความสุขทางร่างกายกันมีแฟนวันนี้ก็จะไม่ขอไม่ขอไม่นอนกับแฟนหนึ่งคืนขอแยกกันนอน แฟนไปอยู่ที่หนึ่งเราไปอยู่ที่หนึ่งถ้ามาอยู่วัดด้วยกันก็อยู่คนละที่ผู้หญิงก็อยู่โซนของผู้หญิงผู้ชายก็อยู่โซนของผู้ชายไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะว่ามันเหมือนกับน้ํามันกับไฟถ้ามันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมีโอกาสที่จะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ต้องอยู่ห่างกันนี่คือ สีนแปดข้อที่สามของสีนแปดก็คืออบรมัจจาริยาเวระมณีถ้าสีนห้าก็เป็นอะไรนึกไม่ออกแล้วกาเมสุมิชาจาราเวระมณีถ้าถือสีนห้ายังคืนนี้ยังนอนกับแฟนได้แต่ห้ามไปนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟน แต่ถ้าถือศีลแปแฟนก็ไม่นอนด้วยเพราะคืนนี้จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่คือศีลข้อที่ 3, สามศีลข้อที่6ก็พูดแล้วข้อที่เจดก็ยุติงดเรื่องมหรลพบันเทิงต่างๆ ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปงานเลี้ยงต่างๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานอะไรก็ตามไม่ไปไม่หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรดนี้มาหาความสุขทางใจมาอยู่วัดกันมาอยู่ที่สงบกันอยู่วัดก็ได้ ที่บ้านก็ได้ถ้ามันสงบถ้าไม่มีใครมารบกวนใจแต่ที่บ้านนี่มันยากเพราะที่บ้านมันมีแต่ของรบกวนใจนะมีทีวีมีตู้เย็นมีตู้กับข้าวมีของอะไรต่างๆคอยยั่วยวนกวนใจมีคนกินข้าวเย็นกันมีคนดูทีวีกันมีคนร้องลําทำเพลงกันอยู่ไม่ได้หรอก เดี๋ยวสติแตกศีลแตกศีลขาดกันจึงต้องไปอยู่ที่ไม่มีของเหล่านี้เช่นไปอยู่วัดวัดก็ต้องเลือกสมัยนี้วัดบางวัดก็มีมหรสศบบันเทิงเข้าไปถึงวัดมีงานวัดกันถ้าไปอยู่วัดอย่างนั้นก็ก็อย่าไปอยู่อยู่บ้านดีกว่าพอกันไม่ต่างกันอยู่วัดต้องมาอยู่แบบเนี้ยแบบที่อยู่ในป่านในเขาเอย่างนี้ ไฟฟ้าก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมายั่วยวนกวนใจอ่าเขาเรียกว่าปีกวิเวกวัดสมัยก่อนนี้จะเป็นวัดป่าวัดเขากันเป็นที่ปีกวิเวกแะสมัยนี้วัดกลายเป็นวัดบ้านวัดเมืองไปหมดแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นที่ที่เหมาะต่อการสร้างความสุขทางใจกัน ที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ต้องเป็นที่วิปรีดที่วิเวกคำว่ า, าวิเวกก็สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. พอเวลามันสัมผัสกันนี้ใจมันร้อนเป็นไฟขึ้นมา mm hmm. พอได้ยินเสียงปั๊บนี่ความโลภเกิดขึ้นแล้วความอยากเกิดขึ้นแล้วลความโกรธเกิดขึ้นแล้ว ได้เสียงของคนที่เราไม่ชอบนี่เราก็โกรธนะได้เสียงของคนของสิ่งที่เราชอบก็อยากได้นะใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบเน้นต้องไปอยู่ในที่รูกเสียงกิดลดไม่ได้ทำให้ใจเราร้อนเป็นไฟขึ้นมาเช่นเสียงนกเสียงกาเนี่ยมันร้องไปทั้งวันมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเสียงลมพัด น, นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไร รูปของต้นไม้ใบหญ้ารูปของก้อนหินก็ไม่มีปัญหาเลยแต่พอไปเห็นรูปคนเข้าเนี่ยเกิดไฟขึ้นมาเลยลุกเป็นไฟขึ้นมาร้อนขึ้นมาทันทีร้อนด้วยราคะด้วยความอยากร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยโมหะร้อนด้วยความหลงราคะโทสะโมหะก็คือโลคโกรธหลงนี่แหละเนี ราคะก็กามนี่กรามรามาลาคะเห็นชายหล่อเห็นหญิงสาวสวยเดี๋ยวก็เกิดกามมาลาคะขึ้นมาอยากจะเป็นแฟนกับเขานะอยากจะได้เขามาเป็นแฟนเนะี่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าแก่หรือหนุ่มหรือสาวหรือแก่พอไปเห็นของชอบขึ้นมาแล้วกิเลสมันไม่ได้แ ก, ก่ไปกับร่างกายกนะิเลสมันยัง ยังมีกําลังวังชาเหมือนกับเป็นหนุ่มเป็นสาวอยูน่นะงนั้นต้องอยู่ห่างไกลาจากของพวกนี้ถ้าอยากจะหาความสุขทางใจสุขความใจนี้เกิดจากความสงบใจจะสงบไม่ได้ถ้ามีกิเลสถ้ากิเลสทํางานแล้วไม่สงบถ้าความโลภความโกรธความหลงถ้าการมาราคะทํางานนี้สงบไม่ได้ จึงต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงไม่มีมรสพมหบันเทิงมหรสพบันเทิงอะไรต่างๆให้ดูให้ฟังแล้วก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามเสริมความงามด้วยเครื่องสามามําอางทําเผาทําผมใช้น้ํามันใช้น้ําหอมใส่เสื้อผ้าอภรร์วิจิตพิสดารอันนี้เป็นความสุขปลอม ความสุขเดียวเดียวอพอกลับบ้านเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนชุดนอนอยู่ดีเครื่องสมมางก็ต้องล้างออกไปให้หมดอันนี้อย่าไปเสียเวลาถ้าทําเรื่องพวกนี้แล้วจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันสู้คนที่เขาโกนหัวไม่ได้โกนหัวนุ่งขาวห่วมขาวหรือนุ่งหนูห่มเหลือ ไ, ไม่ต้องเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าท่าปา มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันแล้วข้อ8ดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปถ้านอนมันฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนี่มันจะนอนมากเกินไปเพราะมันสบายร่างกายนี้พักสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วพักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็พอพอตื่นขึ้นมาถ้าฟูกมันหนาเตียงมันใหญ่นอนสบาย มันก็ไม่อยากจะลุกมันจะขอนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงเสียเวลาอันมีค่าไปเอาเวลาสามสี่ชั่วโมงนี้มานั่งสมาธิกันดีกว่าจะได้มีความสุขทางใจเราต้องมาฝึกทำสร้างความสุขทางใจให้เป็นเพราะต่อไปเวลาที่เราไม่มีใช้ร่างกายไม่ได้เราจะได้ใช้ธรรมะ คือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นวิธีหาความสุขต่อไปได้นี่คือศีลแปดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาถือกันในวันพระวันธรรมดาก็ถือศีลห้ากันเพราะศีลห้านี้สำคัญศีลห้านี้จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายกัน ชีวิตของพวกเรานี้ตายไปยังไม่จบไม่ได้จบที่ร่างกายร่างกายจบแต่ใจยังไม่จบใจไม่มีวันตายใจก็จะถูกบาปที่ได้ทำไว้ถ้าไม่รักษาศี่ห้าบาปที่ทำไว้ก็จะส่งเราไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกกันนี่คือที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่รักษาศี่ห้า งั้นถ้าเราไม่อยากจะไปอบายวันธรรมดาเราก็ต้องรักษาศีลห้ากันแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องทาบุญด้วยทาบุญนี้เหมือนกับตีตัว๋วหรือจองอจองที่พักในสวรรค์กันถ้าทาบุญแล้วรักษาศีลห้าได้ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์กันถ้า รักษาศีลห้าอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญตายไปกลับมาก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวสวรรค์ไม่ได้ไปอบายเพราะศีลทำให้เราไม่ได้ไปอบายแต่เราไม่ได้ทำบุญเราก็เลยไม่มีเงินไปเที่ยวสวรรค์กันบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะเอาไปใช้ท่องเที่ยวต่างประเทศถ้าเรามีเงินเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้ ตตัต๋ซื้อเครื่องบินจ่ายค่าที่พักค่าอาหารได้ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้บุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินสาหรับให้เราไปใช้ในโลกทิพย์โลกที่ไม่มีร่างกายโลกที่มีแต่กายทิพย์คือใจนี่คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับถ้าเราทาบุญทาทานรักษาศีลห้าเป็นปกติ ทำบุญทุกวันวิธีทำบุญทุกวันก็คือเ <Okay. S 1> ช่นมีพระมาบินาบาตรเนืออยู่ใกล้พระบินาบาตรก็ไปใส่บาตรมีประโยชน์หลายอย่างได้บุญแล้วยังสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้จเจริญนุ่งเรืองเพราะพระนี่แหละเป็นผู้ที่จ ะ, ะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไป พระนี้จะเป็นผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมมาเป็นพระอริยสงฆ์ให้พวกเราอาศัยเป็นครูเป็นอาจารย์คอยสั่งสอนให้พวกเราไปในทางที่คู่ที่ถูกที่ควรถ้าไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าต่อไปก็ศาสนาก็จะไม่มีความหมายมีแต่โบทเจดีแต่ไม่มีใครสอนก็ไม่มีประโยชน์อะไร ต้องมีคนสอนแสดงทมให้ฟังก็ต้องทำบุญใส่บาตรกับพระแต่ถ้าไม่มีพระเดินผ่านมาทางบ้านหรือไม่สามารถใส่บาตรได้แต่ยังอยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาตรใส่กระปุกไปแทนใส่ไปทุกวันทำให้มันเป็นนิ ส, สัย แล้วพอวันพระมาวัดก็เอามาถวายวัดไปถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าทำนุบำรุงวัดไปก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทานเป็นการใส่บาตรที่ให้ทำทุกวันเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เป็นติดเป็นนิสัยไปจะทำง่ายและเราไม่ต้องทำมากถ้าเราทำทุกวันแล้วก็ทำวันว น, น้อย เช่นเราใส่บาทวันหนึ่งก็ซื้ออาหารชุดหนึ่งใส่บาทไปแต่ถ้าเราใส่ทุกวันมันก็จะมากเจ็ดวันมันก็มากขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ทําเลยพอถึงวันที่จะมาวัดบางทีก็ไม่มีเงินทําบุญก็ไม่อยากจะมาพ็เอาเงินที่ทําบุญนี้ไปซื้อขนมนมเนยไปเที่ยวไปเล่นกันแทนดังั้นเราต้องแบ่งเอาเงินที่เราจะไปซื้อของไม่จําเป็นต่างๆมา ให้กับการทำบุญเพื่อเราจะได้มีบุญติดตัวไปเวลาที่เราตายไปแล้วแล้วบุญนี้ก็จะช่วยเราได้นอกจากจะพาเราไปสวรรค์แล้วยังช่วยเราดึงไม่ให้ไปอบายได้เพราะเราอาจจะไม่สามารถรักษาศีลได้ทุกวันก็ได้บางวันเราอาจจะเผลอไปทาบาป ก, ก็ได้ แต่ถ้าเราทำบุญเยอะๆทำบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบาปยังไม่มีกำลังที่จะแสดงผลเพราะบุญมีกำลังมากกว่าถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็ยังดึงเราไปสวรรค์ได้ยังไม่ต้องไปอาบายแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยแล้วเราคิดว่าเรารักษาศีลอย่างเดียวพอพอเวลาวันไหนเผลอไปเกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาไป ทำผิดศีลเข้ า, เ, าเราก็จะมีบาปเพียงอย่างเดียวอพอตายไปบาปมีกําลังมันมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบายทันทีแต่ถ้าเราทำบาปบ้างทำบุญบ้างาทาทั้งสองอย่าง เ, าเวลาตายไปถ้าบุญมีน้ำหนักมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ก่อนพอบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ก่อน รอจนกว่าวันไหนที่บากมีมากกว่าบุญถึงจะไปอบายกันเะฉะนั้นอย่าคิดว่ารักษาศีลเพียงอย่างเดียวจะพอเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะรักษาได้บริสุทธิ์ทุกวันหรือไม่ถ้าเรามั่นใจเรายอมตายมากกว่ายอมทำบาปอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำบุญก็ได้แต่ถ้าเรายังรักตัวกลัวตายอยู่เวลาเกิดความ ความเป็นความตายขึ้นมานี่ศีลก็จะไม่เอาแล้วล่ะเอาเอาอยู่รอดก่อนเช่นเวลาไม่มีเงินซื้ออาหารก็อาจจะไปยิงนกตกปลาละเพื่ออาหารหาอาหารมารับประทานกันแต่ถ้าเป็นคนแบบโสภะโสดาบันนี้ท่านยอมตายท่านไม่กลัวความตายท่านรู้ว่าไงก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าทำบาปแล้วต้องไปใช้กรรมต่อไม่ยอมไม่ยอมไปใช้กรรมไม่อยากไปใช้กรรมปล่อยให้มันตายดีกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ศีลห้าไม่จะไม่ขาดโดยเด็ดขาดพรารู้ว่าทำแล้วจะต้องไปอบายอยอมตายดีกว่าไปอบายเพราะยังไงยังไงก็ต้องตายอยู่ดีคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแต่พระโสดาบันถ้าไม่กลัวความตาย เพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ตายไปกับร่างกายท่านไม่ได้เป็นร่างกายแต่คนที่ทําบาปเพราะกลัวตายก็เพราะคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็พยายามรักษาร่างกายแบบสุดๆไม่ให้มันตายยอมทําบาปเพื่อที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายไปฆ่าใครก็ต้องไปถูกให้เขาฆ่าไปฆ่าปลาฆ่านกเนี่ย เดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นนกเป็นปลาให้เขามาฆ่าเราต่ออันนี้พระพุทธเจ้าถึงสอนนอกจากให้รักษาศี่ห้าแล้วก็ให้ทําบุญทําบุญให้เป็นนิสัยทําทุกวันวันว น, น้อยกวัาน้อยดีกว่านานๆทําทีนานๆทําทีพอเวลาจะทำบางทีไม่มีเงินจะทําอยากจะทําแต่ไม่ได้เก็บเงินเอาไว้เอาเงินไปเที่ยวหมดเอาไปกินไปเล่นหมด ก็เลยไม่มีเงินทาบุญมากแล้วก็ยังทาบาปอยู่เรื่อยๆพราใจให้ไปสวรรค์ได้ใจก็จะไปอบายนี่คือสำหรับวันธรรมดาวันที่พวกเราต้องไปทำมาหากินหาความสุขทางร่างกายก็ให้มีสองอย่างนี้ไว้คุ้มครองรักษาใจเราไว้ให้ทาบุญทำทานเป็นประจำ ทำกับคนอื่นก็ได้นอกจากพระทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับขอทานทำกับหมากับแมวทำกับใครก็ได้ขอให้เราแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นเขาไปแบ่งปันเงินทองให้เขาไปให้เขามีความสุขบ้างช่วยเหลือเขาอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญได้บุญเหมือนกันทำบุญกับพระก็ได้บุญทาบุญกับแมวกับหมาก็ได้บุญเหมือนกัน ประโยชน์นต่างกันที่ตรงที่ว่าแมวกระหมามันไม่สามารถมาม า, มาสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แต่ถ้าทําบุญกับพระก็จะมีพระมาบวชอยู่เรื่อยๆก็จะมีพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไปอยู่เรื่อยๆประโยชน์มันต่างกันตรงนี้เราจึงมักจะเลือกทําบุญกับพระกันเพราะเราอยากจะให้มีพระพุทธศาสนา อยู่เป็นที่พึ่งของพวกเราไปนานๆเราก็ต้องทำบุญกับวัดแต่ไม่ได้หมายความว่าทำบุญกับที่อื่นไม่ได้บุญได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยชน์ได้รับไม่เหมือนกันเช่นถ้าไปทำบุญโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บไปเรื่อยๆถ้าทำบุญกับโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือกันอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีวัดถ้าไม่ได้ทําบุญกับวัดไม่ได้ทําบุญกับศาสนาต่อไปก็จะไม่มีวัดไม่มีศาสนาเพราะวัดที่เป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะการทําบุญของญาติโยมนี่ญาติโยมทําบุญบริจาคเงินสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใส่บาตรพระนี่ศาสนาถึงมีกันได้เพราะการทําบุญของญาติโยมในประเทศที่เขาไม่ได้ถว า, ายเงินให้กับวัดก็ไม่มีวัดใช่ไหม คนไทยเวลาไปอยู่เมืองนอกนี่ใหม่ๆไม่มีวัดอยู่ไม่มีวัดไปกันเลยต้องมาร่วมร่วมมือร่วมแรงกันหาเงินมาสร้างวัดกันนิมนพระไปอยู่กันอันนี้ถ้าเราอยากจะสนับสนุนอะไรเราก็ทำบุญกับสถาบันนั้นไปถ้าอยากจะสนับสนุนโรงพยาบาลก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลถ้าอยากจะสนับสนุน โรงเรียนก็ไปทําบุญที่โรงเรียนที่เมืองนอกนี่ฝรั่งเขาบางทีเขาไม่เชื่อศาสนาเขาก็เลยสนับสนุนทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมากกว่าวัดวารามเพราะคนที่นั่นเขาเห็นความสําคัญของการศึกษาบางทีก็เบอร์จากเป็นร้อยร้อยรล้านเหรียญหนึ่งมี มีมรดกเท่าไหร่ก็ยกให้กับโรงเรียนไปเลยยกให้กับมหาวิทยาลัยไปเลยมหาวิทยาลัยก็เลยมีเงินจ้างครูอาจารย์เก่งๆมาสอนการศึกษาเขาจึงเจริญก้าวหน้ามากแต่ทางศาสนาเขากลับไม่เจริญเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเนื่องบาปเขาคิดว่าตายไปแล้วก็จบสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเขาก็เลยไม่ได้ทุ่มเทให้กับการ สนับสนุนศาสนากันแต่ทางวัดทางประเทศไทยนี้เรามีความเชื่อบุญเชื่อบาปกันเมืองไทยจึงมีวัดเต็มไปหมดเลยไปที่ไหนนี่เดินแทบจะต้องเจอวัดมีมากมีวัดมากกว่าปั๊ม น, มน้มํามันอีกมั้งในเมืองไทยนี่นั่นเพราะว่าเราเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์กันเราเชื่อว่าวัดนี้จะ เป็นผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักนรกรู้จักสวรรค์กันจะทำให้เราเวลาตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปอบายกันเราจะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปถึงพระนิพพานเลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้าแล้วซ้ำอีกอย่างที่พวกเราต้องยังทำกันอยู่ทุกวันนี้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรายัง ต้องไปต่อเพราะว่าใจของเรายังมีตัวผลักดันให้ไปต่อตัวผลักดันนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่พวกเรามาพยายามปฏิบัติในวันพัคอันนี้เพื่อมาตัดตัวกิเลสตัณหาเท่ากับเป็นการตัดภพตัดชาติไปในตัวถ้ากิเลสตัณหาน้อยลงไปภพชาติก็จะน้อยลงไป กิเลสตัณหาหมดไปก็จะไม่มีพบชาติติกต่อไปกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าเรามีเมล็ดข้าวเราก็หวานไปในดินใช่ไหมพอหวานไปในดินต้นข้าวก็งอกขึ้นมาถ้าไม่มีเมล็ดข้าวให้หวานก็จะไม่มีต้นข้าวจันไดกิเลสตัณหานี่ก็เป็นเมล็ดข้าวของพบชาติต่างๆ ท, ท, ที่เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะกิเลสตัณหาเป็นตัว ดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆส่วนที่จะไปเกิดสูงเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บา พ, พาเราไปถ้าบุญพาไปก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาป พ, พาไปก็ไปเกิดในอบายชั้นต่างๆแต่ยังต้องกลับมาเกิดมาใช้เวรใช้กรรมต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะกําจัดทําลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้ การที่เรามาวัดมาอยู่วัดมาถือศีลแปดก็เพื่อมาตัดพบตัดชาติกันมายุติการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันมาใช้ทมเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดที่เรายังต้องกลับมาเกิดเพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปหาความสุขต่างๆถ้าเรามาหาความสุขทางใจได้ มาหาความสุขจากการปฏิบัติทำได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายของพพุทธศาสนาเพื่อให้เราไม่กลับมาเกิดและก่อนที่ยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ให้เราไปเกิดในสวรรค์กันเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญต่อ แล้วพวอตายไปก็ไปเกิด บ, บนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพาน mm. แสดงว่าเราได้พัฒนา mm. พวกที่ยังมาอยู่วัดไม่ได้ mm. เพียงแต่รักษาศีลห้ากับทําบุญใส่บาตร mm. ก็ก็ถือว่ายังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรแต่ก็ยังดีกับพวกที่ไม่ทําบุญใส่บาตร mm. ไม่รักษาศีลห้าเลย เนี่ยมีหลายระดับด้วยกันบางพวกก็ทำบุญอย่างเดียวแต่ยังรักษาศีลไม่ได้เพราะเขายัางต้องทำมาหากินแล้วเวลาทำมาหากินมากจะต้องโกหกซื้อของมาถูกก็ต้องบอกว่าซื้อมาแพงจะได้ขายได้ราคาแพงๆก็ต้องโกหกกันหน่อยอย่างน้ขายไม่ได้เขาบอกเขาถึงบอกว่า อ่าสินห้านี่รักษาลาบากเกินวเวลาราต้องทำมาหากินนี่ก็อย่าไปหามันมากก็ไม่ต้องรักก็ไม่ต้องทำบาปถ้าหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็ไม่ต้องทำบาป ก, กันแต่มันอยากจะหามากๆเพื่อมาเที่ยวกันมาเล่นกัน ม, มันก็เลยต้องหามากหน่อยมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆกันของพวกนี้ไม่ต้องมีก็ไม่ตายมีความสุขได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีของฟุ่มเฟือยต่างๆ แต่เรามันติดนิสัยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอมาเกิดปั๊บพอมีเงินปั๊บนี่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยกันของจำเป็นนี่มีพอแล้วก็เลยไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันมันก็เลยทำให้เราเงินไม่พอใช้กันก็เลยต้องหาเงินมากหาเงินมากก็ต้องรักษาศีลกันไม่ได้เพราะต้องโกงบ้างต้องโกหกบ้างถึงจะหาเงินได้ง่ายๆเร็วๆมากมาก านี่พอเรามาวันแล้วเราจะได้เห็นโทษของการทำบาปต่อไปเราจะได้ไม่มาไม่ทำบาปกันอพอเห็นโทษว่าทำบาปแล้วมันไม่คุ้มตายไปต้องไปเกิดในอบายอยอมอยู่แบบส ม, มะถะเรียบง่ายดีกว่ามีเงินน้อยๆแต่ไม่ต้องทำบาสดีกว่ามีเงินมากๆจากการทำบาปเพราะตายไปมันมีกรรมมีมีบาปต้องไปใช้ต่อ มีที่ต้องไปเกิดที่ไม่ดีต่อไปถ้าเราสมถะเรียบ ง, ง่ายไม่ใช้เงินมากใช้เฉพาะแค่เลี้ยงดูร่างกายเราก็ไม่ต้องทำบาปเวลาทำมาหากินไม่ต้องโกหกไม่ต้องโกงขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขายตามปกติมันก็พออยู่พอกินอยู่แล้วถ้าเราใช้เงินแบบประหยัดนี่เราไม่ต้องไปทำบาปกัน แล้วเราก็จะมีเงินเหลือมาทำบุญด้วยแต่ถ้าเราเอาเงินที่หามาได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อแหวนซื้อนาฬิกาซื้อสร้อยซื้ออะไรต่างๆกินก็กินไม่ได้แต่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ซื้อมาใส่ประดับกันไปแล้วก็ไปทำบาป ก, กันเงินจะไปทำบุญก็ไม่มีทำกันนี่แพอตายไปเลยก็ต้องเลยต้องไปอาบายกัน บุญก็ไม่ทาบาปก็บาปก็ไม่ละเพราะว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าวัดกันไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมกันเลยไม่รู้บาบุญคุณโทษไม่รู้ว่าตายไปแล้วยังมีเกิดต่อยังมีไปต่อไปนรกไปสวรรค์อยู่ที่บุญที่บาปไม่ยอมเชื่อคิดว่าเป็นของโกหกหลอกลวงกัน พอมองไม่เห to pay to pay to the oh ็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ไปรับผลบุญผลบาปนี่มันเป็นมนุษย์ล่องหนเข้าใจไหมไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําบุญทําบาปนี่แหละเป็นคนละคนกันรู้ไหมในตัวเราเนี่ยมีสองคนคนสั่งกับคนทําคนสั่งกับคนรับคําสั่งร่างกายเป็นผู้รับคําสั่ง ใจเป็นผู้สั่งแต่ใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราก็เลยคิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันแต่ความจริงเป็นสองคนมีคนสั่งกับคนรับคำสั่งคนรับคำสั่งนี้ก็รับใช้ผลบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นถ้าไปลักขโมยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเขาก็เอาคนเอาร่างกายไปขังไว้ในคุกในตาราง คนสั่งก็ต้องไปด้วยเพราะติดอยู่กับร่างกายแต่เวลาร่างกายตายไปแล้วเขาก็คิดว่าไม่มีคนไปรับโทษแล้วเพราะคนสั่งนี้ไม่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ล่องหนจับมันไม่ได้แต่มันมีกฎแห่งกรรมมาเป็นผู้จับต่อแทนกฎแห่งกรรมก็คือเนี่ยทำบาปก็ไปอบายกันทำบุญก็ไปสวรรค์กันอันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาจับมาลากมันเป็นกฎแห่งกรรม มันไปทันทีตามกฎแห่งกรรมพอร่างกายนี้ตายไปใจที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือสิ่งที่พทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเข้า อ, อกเข้าใจกันเราจะได้ไม่ประมาทเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะว่าของเหล่านี้เรามองไม่เห็นกัน คนที่จะเห็นนี้ต้องปฏิบัตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเท่านั้นถ้าใจสงบแล้วใจจะเห็นโลกทิพย์จะเห็นกายทิพย์ต่างๆเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผีเห็นสัตว์นรกเห็นพระอริยเจ้าก็จะไม่สงสัยว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่แต่พวกเรามันพวกหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นโลกทิพย์กัน เห็นแต่โลกกรธาตุเห็นแต่โลกของดินน้ําลมไฟคือโลกที่เราอยู่ก็ น, นี้เราเรียกว่าโลกกรธาตุเพราะของทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากดินน้ําลมไฟต้นไม้ก็มาจากดินน้ําลมไฟกุฏิศาลาหลังนี้ก็มาจากดินน้ําลมไฟร่างกายของพวกเราก็มาจากดินน้ําลมไฟแล้วเวลามันตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไป ถ้าเรามองที่ร่างกายเราก็จะคิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วจบไม่มีผลของบุญของบาปตามมาต่อไปแต่ถ้าเรามามาอยู่วัดมารักษาศีลแปมานั่งสมาธิเดี๋ยวเราก็จะเห็นโลกทิพย์กันเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายทิพย์กันจะเห็นตัวเราตัวที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆ ต, ตัวนี้มันไม่ได้ตายกับร่างกายตัวนี้หละที่จะไปเป็นอะไร มันเป็นตั้งแต่ร่างกายยังไม่ได้ตายไปใช่ตอนนี้ญาติโยมที่มาถือศีลแปดได้มานั่งสมาธิได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรมกันละจิตเป็นพรมละถ้ารักษาศีลห้าไม่ทำบาปทำบุญก็ไปสวรรค์ชั้นเทพกันละเป็นเทพกันละถ้าไม่รักษาศีลเน่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกหกหลอกลวงช่อโกงนี่ก็ไปเป็นเป็เปกันละ เรื่อไปเป็นเดรัจฉานกันลจิตเป็นไปแล้วร่างกายมันไม่ได้เป็นไปตามบุญตามบาปที่เราทำผู้ที่เป็นไปตามบุญตามบาปตามที่เราทำนี่คือใจเป็นตั้งแต่ขณะที่ยังไม่ตายตอนนี้ถ้าใครไม่นักใครไม่นักษาศีลไม่ทำบุญเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งลไม่เป็นเดรัจฉานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายไม่เป็นอสุรกายก็เป็นนรก แต่คนใดที่ทาบุญสายบาทประจาทาบุญประจารักษาศีลอยู่เป็นประจานี่เป็นเทวดากันแล้วและถ้าใครมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถือศีลแปดได้ออกบวชได้ก็ไปเป็นพรหมกันและถ้าใครมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากกิเลสตัณหาของเราเองภพชาติของพวกเราเกิดจากกิเลสตัณหา การเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เราก็จะตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดต่อไปได้อันนี้ก็จะเป็นพระอริยเจ้า ช, ชั้นต่างๆไปเป็นชั้นโสดาบันชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีชั้นารหารันถ้าชั้นชั้นโสดาบันก็ ยังต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติถ้าชั้นส ก, กิดาคามีก็กลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากถ้าชั้นอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกต่อไปจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไปเป็นพาาาระอรหันต์ไปอยู่ในพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพอีกต่อไปนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราจะได้รับ จากการที่เรามาทําบุญกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเราเรื่องอนาคตของพวกเราว่าเราจะไปทิศทางใดตอนนี้เราไม่ต้องไปหาหมอดูเรารู้แล้วเนี่ยเราดูตรงนี้ดูว่าเราทําบุญนักษาศีลหรือเปล่านั่งสมาธิกันหรือเปล่าฟังเทศฟังธรรมมีปัญญาเห็นทุกสมุทัยนิโรคกันหรือเปล่าเห็นตายรักษหรือเปล่า อันนี้มันจะบอกเราเองว่าเราเกิดของเราอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับเปรตหรือระดับผีหรือระดับเดราชฉานหรือระดับมนุษย์หรือระดับเทวดาหรือระดับพรหมหรือระดับพระอริยเจ้ามันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละอยู่ในการกระทาของเราเองดังนั้นขอให้เราพยายามฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราจะ มองเห็นอนาคตของเราเป็นเหมือนกับเวลาเราขับรถนี่เราจะรู้ว่าเราวิ่งเร็ววิ่งชา้าเราต้องดูที่ความเร็วใช่ไหมมันมีมาตรความเร็วมันจะบอกเราว่าเราวิ่งเร็ววิ่งชา้าถ้าเราไม่มีมาตรความเร็วเราก็ไม่รู้วิ่งเร็วหรือวิ่งชา้าบางทีวิ่งเกินความเร็วที่เขากําหนดไว้ก็ถูกตํารวจเรียกโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเรามีมาตรวัดเราก็จะค่อยดูว่าให้เกินหรือยังๆๆถ้าเกินเราจะได้ผ่อนหน่อย ลดความเร็วลงไม่งั้นเดี๋ยวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับฉาจใดธรรมะคําสอนพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนมาตรวัดกรรมของพวกเรามาตรวัดการกระทําของพวกเราว่าเรากําลังไปในทิศทางไหนไปสูงไปต่ําไปดีไปชั่วอยู่ที่การมีความรู้ทางธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆ เ, เราจะเข้า อ, อกเข้าใจไปเรื่อยๆฟังคนเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจ เพะมันมีเรื่องละเรื่องมากมายกายกองแ ล, ละเป็นเรื่องแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเราจึงต้องมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันพระเพื่อที่เราจะได้เสริมความรู้ความเข้าใจทางปัญญาและเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเราตอนนี้กําลังเดินทางไปในทิศทางไหนไปดีหรือไปไม่ดีอย่าไปวัดกับราบยศสรรเสริญอันนี้ไม่ใช่เป็นตัววัดที่แท้จริง บางคนว่าว่า เ, เรารวยแล้วเรามีความสุขมีเงินใช้มีอะไรทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็ซื้อได้มีได้จะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้จะกินอะไรก็กินได้ก็คิดว่าเรากำลังจเจริญแล้วแต่ไม่ได้ดูที่ใจว่าอาจจะร้อนเป็นไฟก็ได้ใจอาจจะเป็นเดรัจฉานอยู่ก็ได้พอไปหาเงินมาโดยวิธีไม่ชอบไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทาบาปเพื่อจะได้เอาเงินเอาทอง มาซื้อข้าวซื้อของมากินมาใช้เนี่ยถ้าจะถ้าไปวัดที่ราบยศเสริญก็จะหลงทางจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็จะชอบทำบาปกันไปเพราะาทำบาปแล้วมันรวยไงถ้าไม่ทำบาปแล้วมันจน ถ, ถ้าเข้าวัดความเจริญอยู่ที่ความรวยความจนเขาจะเาก็จะวัดที่การการกระทาถ้าทำบาปแล้วรวยไปทำทาบุญทำไมทาบุญแล้วจนทำไทไม ใช่ไหมทำบุญมันงั้งหมดเงินเลยใช่ไหมมันจะไปรวยได้ไงทแต่ทำบาปที่มันรวยใช่ไหมไปโกงเขาเนี่ยไปเดี๋ยวเขาก็รวยนะเนี่ยคนมักจะไปเอาเครื่องวัดผิดผิดมาวัดกันก็เลยเลยหลงทางกันแทนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันก็เลยไปอาบายกันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีธรรมไม่มีเครื่องวัดที่แท้จริง เราต้องมาหาเครื่องวัดที่แท้จริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันพระวันพระท่านถึงเรียกว่าวันธรรมะสวัสดิแปลว่าวันฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมมากเพราะถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้นรกรู้สวรรค์ไม่รู้กรรมไม่รู้วิการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องมาฟัง ฟังแล้วไม่พอฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี้จริงไม่จริงถ้าไปถึงขั้นที่เห็นว่าตัวที่ไม่ตายนี้คือใจนี้ตัวที่ไปรับผลบุญผลบาสนี้มันจะเชื่ออย่างสนิทใจเลยตอนนี้ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนเชื่อพระอรหันตสาวกไปก่อนเพราะท่านเป็นผู้ที่เห็นแล้วพวกเรายังไม่เห็นก็ต้องเชื่อคนที่เขาเห็นก่อน พวกเรายังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ต้องอาศัยคนตาดีนําทางไปก่อนแล้วสักวันหนึ่งตาเราหายบอดเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องอาศัยคนตาดีเพราะเราตาของเราดีแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นทางได้แล้วก็เดินไปได้ด้วยตนด้วยตัวของเราเองถึงตอนนั้นไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมนะถึงตอนนั้นก็เป็นเวลาไปสอนคนอื่นต่อได้นะเพราะตาดีแล้วไปสอนคนตาบอดได้แนละ้ว แต่ตอนนี้ตาบอดอย่าไปริสอนคนตาบอดด้วยกันเดี๋ยวก็หลงทางด้วยกันนะให้เห็นชัดเจนก่อนไม่สงสัยอะไรในธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วแล้วค่อยไปสั่งสอนคนอื่นเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้เวลาก็พอสมควรก็จะอนุโมทนาให้พรพระอาจารย์แล้วการมาทำบุญริบัน อ๋อไม่ไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่ทำมากทำน้อยอ๋อมาวันไหนก็ได้นะเป็นต้องวันพระใช่วันพระมันบางวัดบางบางบางที่เขามีแสดงธรรมไม่มีแสดงธรรมไงอ่าก็แค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เรามีธรรมมาอัดไว้เยอะแยะแล้วก็ไม่ไม่สําคัญวันไหนก็เหมือนกันถ้าเป็นวัดปฏิบัตินี่ทุกวันเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นวัดบ้านนี้ก็จะมีแต่วันวันพระวันเดียวที่เขาจะมีเทศมีทําบุญใส่บาตรกันในศาลา มีการอยู่โบสถ์อยู่รักษาศีลแปดกันวันธรรมดาก็จะไม่มีแต่ถ้าเป็นวัดปฏิบัตินี่ก็มีทุกวันมาวันไหนก็ปฏิบัติเหมือนกันทุกวันก็มาอยู่ต้องสิบสี่วันก็วันธรรมดาใช่ไมไม่ใช่คือแต่วันพช้าบางตั ส ก, กมันไม่ได้อยู่ที่วนันนี้มันอยู่ที่อยู่ที่เราทําอะไรหรือไม่ทําอะไระเราฟังเทศหรือเปล่าถ้าเราฟังวันไหนเราเราก็ได้บุญจากการฟังเทศ ท, ทันทีถ้าวันพระไม่ฟังมันก็ไม่ได้บุญอยู่ดีจากการฟังเทศมันเหมือนเมนูอะไปสั่งอาหารคุณก็เลือกเอาเลยคุณจะสั่งอาหารชนิดไหนคุณสั่งมาคุณก็ได้กินอาหารชนิดนั้นะถ้าคุณไม่สั่งอาหารชนิดนั้นคุณก็ไม่ได้กินไม่ยากเป็นวันไหนอ ถ้าวันนี้ไม่ไม่ฟังเทศก็ไม่ได้บุญวันนี้ไม่รักษาศีลแปดก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดไม่ใส่บาตก็ไม่ได้บุญจากการใส่บาตรแได้บุญจากการฟังธรรมอ่าอ่อ่าเข้ามาเข้ามาดีพายครายมากรับท่านครับอ่าดีเกิดวันพรุ่งนี้อ่เอาเข้าวัดต่างแต่าง <c oughs> เลยแรกดีอครบหนึ่งกว่าพรุ่งนี้ครับดีเอ่ เอาเข้าบ่อยๆนะจะได้รู้จักพระรู้จักวันเอาซองไว้ตรงนั้นเอาดอกไม้ม า, าลแล้วใครอยากถ้าต้องการหนังสือทีดีก็เอาได้ชื่ออะไรครับเจ่าหนุ่มครเป็นเด็กดีนะโตขึ้นเป็นเด็กที่มีบุญมีกุศล น, นะอา่อาตั้งใจทําบุญไปเรื่อยๆนะอา่อาดีไม่กลัวพระเด็กบางคนเห็นพระ้องร้องกลัว อันนี้ไม่กลัวอีไกายฟังเทศฟังธรรมแล้วยังไม่เข้าใจั้ยอยากจะถามก็ได้นะถามได้ตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบน <c oughs> คือเวลาทำอะไรมันก็ต้องมีขั้นมีตอนเหมือนทำกับข้าวมันก็ต้องมีขั้นมีตอนมีเวลาหั่นผักหั่นเนื้อมีเวลาต้ ม, มเวลาผัดจะมาทำกันทีพร้อมๆกั น, ม, นมันทำไม่ได้ถ้าสวดมนต์นี่เรียกว่าการทําสมาธิทําใจให้สงบก็ต้องสวดไปอย่างเดียวอย่าไปแยกธาตุแยกขันอย่าไปอะไระเวลาแยกธาตุแยกขันก็อย่าไปสวดมานั่ง แยกกันแยกว่าร่างกายนี้เป็นดินน้านมไฟ เ, เป็นอาการ32อันนี้ต้องใช้ความคิดเหมือนกับการศึกษาเหมือนนักนักศึกษาแพทย์เขาก็ผ่าร่างกายออกมาดูถ้าอยากจะรู้ว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเขาก็ไปผ่าศพกันะจะได้เห็นว่าร่างร่างกายนี้มันมีอาการ32ใช่ไหมตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าก็ดูผมดูขนดูเล็บดูฟัน ดูอาการส2อันนี้เรียกว่าลกแยกแยกธาตุละเพราะร่างกายนี้มันก็มาจากดินน้ําลมไฟอาหารนี่ก็มาข้าวมันก็เป็นดินน้ําที่ดื่มก็เป็นน้ําเป็นธาตุน้ำลมหายใจก็เป็นธาตุลมไฟก็คือความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์ได้จากอาหารร้อนๆกินเข้าไปมันก็เป็นธาตุไฟแล้วก็ไปในร่างกายมันก็มาผสมกันมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน ถ้าเราไม่กินอาหารร่างกายมันจะมีอาการ32ได้ไหมถ้าออกมาจากท้องแม่แล้วก็ไม่กินน้ำไม่ดื่มไม่ไม่หายใจไม่กินข้าวนี่มันจะโตขึ้นมาได้ป่าผมขนเล็บฟันมันมาจากไหนมันก็มาจากดินน้าลมไฟที่เรากินเข้าไปถ้าอยากแยกธาตุแยกขันก็ต้องนั่งคิดแบบนี้ไปพอถึงเวลามันตายมันหายไปไหนะมันก็แยกทางกันไปใช่น้าก็ไหลไปทาง ไฟก็ไปทางลมก็ไปทางที่เหลือก็เป็นดินมันก็ไปคนละทิศคนละทางนี่เรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันตอนนี้เราไปเห็นว่าเป็นตัวเราพอเป็นตัวเราก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆใช่ไหมพอมันแก่ก็ทุกข์แล้วใช่ไหมพอมันพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์พอมันตายก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าไม่เป็นตัวเราเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหม ร่างกายคนอื่นเราทุกข์ไหมเขาแก่เขาเจ็บก็าตายเราทุกข์่าเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราใช่ไนหะอันนี้ก็ต้องดูให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราพอเรารู้ว่ามันไม่เป็นของเราต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บก็เจ็บไปจะตายก็ตายไปอันเรียกว่าวิปัสสนา อ๋อไม่พอเรอดูแค่ไม่พอพอเปล่ายังทุกข์กับร่างกายเปล่าก็ยังไม่พอจนกว่าจะปล่อยวางร่างกายได้จนกว่าไม่ถือว่ามันเป็นตัวเราของเราจนกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเพียงก้อนดินน้ำลมไฟอะไรแยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่เห็นไม่ชัดเห็นไม่จริง ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราก็วเวลามันตายไปมันไปไหนล่ะมันกลายเป็นอะไรไปแหละตอนนั้นเป็นตัวเราเปล่าใช่ไมเวลาร่างกายไม่หายใจแล้วเราร่างกายเป็นศพไปแล้วเราลองไปเรียกมันเป็นตัวเราของเราเปล่าเราก็ไม่เอามาันละเราไปไหนเราก็ไม่รู้แล้ะแยกทางกันไปและไอตัวที่เห็นร่างกายมันไปที่อื่นแล้ะ แต่มันจะไปแบบไหนไปแบบทุกข์หรือไปแบบไม่ทุกข์ถ้าคิดว่าเป็นร่างเป็นของเรามันก็ไปแบบทุกข์เวลาเสียอะไรเสียอะไรที่เป็นของเราก็เสียใจใช่ไหมแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่เป็นของเราก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ต้องเห็นอย่างนั้นต้องเห็นอนิจจังทุกขังและตาตาถึงจะดับความทุกข์ได้ไม่ใช่เห็นเฉยๆเห็นเขาเห็นเราเห็นเขาเห็นเราแต่ยังถือว่าเป็นของเราอยู่ก็ทุกข์ ต้องไม่ถือว่าอะไรเป็นของเราอย่างนาฬกาเนี่ยโยมถือว่าเป็นของโยมถ้าถ้าอาตมาเอามานโยมโกรธไหเสียดายไหมเอามาเลยงันถวายก็มาเลยพูดแล้วเลยได้ช่องแนละ้วถวายก็ถวายเลยอยพูดเลยแต่ิเป็นไอแอ บ, บนิดนึง่จิต เ, เาแอเสียดายเพราสามีซื้อให้เจ้าค่ะแยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหม เราไม่เอาเรกเราพูดทดสอบใจก่อนใจสอบอารมณ์อันหนึงเลยว่าเขาแอบเสียดายอ่านั่นแหละยังถือว่าเป็นของเราอยู่ เ, ออเราไม่เอาหรอกเราก็ไม่ต้องยังไปทําอะไรยังแต่เราพูดทดสอบจิตใจ น, นั่ออาหให้เห็นว่ามันเนี่ยเวลา ย, ยึดติดอะไรมันเสียดายต้องไม่ยึดติดเพรามันจะไม่เสียดายเห็นไหมเงินที่เมื่อกี้ถวายไม่เสียดายใช่ไหมพอพอพอยินดีที่จะเสีย แล้วร่างกายไม่เสียได้เลยร่างกายก็จะอ้างว่าของพ่อของแม่ให้มาแต่ไม่ว่าจะเป็นของใครถึงเวลามันก็เอาไปหมดละเวลามันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเวลานี้จะเกินกินทุกอย่างไปเวลานี้ท่านเปรียบเหมือนกับงูใหญ่ที่ค่อยๆเขมือบเหยื่อเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเวลานี้จะเกินกินสรรพสิ่งทั้งหลายไปหมด สักสามสี่ิปีร่างกายเราก็ไปอยู่ที่เมนไปอยู่ที่วัดแล้วแหละนั mm ่ง hmm. พิจารณาเตรียมตัวไว้ให้รับจะได้ให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วมันจะต้องจากเราไปเพื่อที่เวลามันไปเราจะได้สบายไม่ทุกข์แล้วเวลาอยู่กับมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราปล่อยมันได้ตั้งแต่บัด น, นี้เราไม่ทุกข์อย่างที่โยมปล่อยนาฬิกานี้ได้เดี๋ยวเกิดหายไปที่ไหนโยมก็ไม่ทุกข์กับมันแล้วล่ะ เข้าใจปัญหาของเราตอนนี้อยู่ที่เราไปยึดติดกับขอ ง, งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็เลยทุกเวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ยึดไม่ติดและเวลามันจะไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเข้าใจไหมวิปัสนาเป็นอย่างนี้วิปัสนาต้องเห็นตายรักถึงจะเป็นวิปัสนาเห็นว่าของที่เรามีอยู่ไม่เที่ยง เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปยึดไปติดก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ดงนั้นเราต้องไม่ยึดไม่ติดต้องสอนใจอยู่เรื่อๆว่ามันไม่เที่ยงมันต้องไปมันไม่ได้เป็นของเราแล้วถ้าใจเราเห็นจริงๆจังๆมันก็จะปล่อยมันจะไม่ยึดไม่ติดเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์แต่ตองนี้เราทุกกัน้าชินกันแล้ว เราไม่รู้สึกว่าความทุกข์นี้เป็นพิษเป็นพิษเป็นภัยแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับกระโดดตึกตายกันก็เพราะความทุกข์นี้ทั้งนั้นแหละเราไม่มีวิธีแก้แต่ไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีแก้ง่ายๆวิธีแก้ง่ายๆก็คือปล่อยมันไปท่านเองบางทีของมันไปแล้วยังไม่ยอมปล่อยเลยมันหายไปแล้วแฟนจากไปแล้วยังนอนร้องห่มร้องไห้ยอยู่งใช่ไหมแสดงว่ายังไม่ยอมปล่อยเขาไปแล้ว เขาไปยังมองไม่เห็นว่าเขาไปยังอยากจะให้เขากลับมาอีกเนี่ยตาบอดคนตาบอดยไม่รู้ว่าของที่ตัวเองของที่ตเนเองเคี้ยว เ, ยเป็นของตนไม่ได้เป็นของตนแล้วแต่ยังอยากจะให้เขากลับมาเป็นของเราอยู่อย่างนี้น า, าใจยังอ่าถามต่ อ, อครับเออถ้าโ ย, ยู่เขาว่าช่างหมันได้ไมหมรับเวลาใครมาทําทอะไรอะไรนี่ดีอก็ <S 1> <S 1> ดูสิ เท้าดาเราจริงจริงเช่างมันได้เป่ามันค่ะอจรยแค้นอยู่ในใจอ่าถ้าแค้นอยู่ในใจมันก็ยังไม่ช่างมันอยู่ช่างมันไันต้องไม่แค้นไม่ต้องหัวเราะได้รู้สึก่บงีแบบถูกเขากเออช่างมันรมันมันมันเครื่องน้อยอ่ามันเบาลงเียก็ก็ดีแต่ยังไม่ถ้าถ้าถ้าช่างมันจริงๆได้มันต้องหัวเราะได้ออเอาไปดีของทุกนั้นอ่ะมันอยากจะได้ก็เอาไปก็ทาอะไรบเออช่างมัน่ามันไปส ก็ทําไปได้ไิก็ไม่ทุกข์ก็ใช้ก็ใช้ได้อก็มาปฏิบัตินี้ก็แก้ความทุกข์อย่างเดียวไม่ได้แก้อย่างอื่นแก้ความไม่สบายใจอย่างเดียวอย่างอื่นแก้ไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้แก้ไม่ได้สมบัติเข้าของเงินทองมันจะจากเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ใชุ้ธธุทกก็อ อ่าดีมันจะได้ไม่ไปบ่นอุบอิบขับไปรถคนเบียดหน่อยก็ด่าเขาละก่อนันเป็นอย่างนี้คนตัดหน้าหน่อยก็ด่าเขาละไอหาเอ้ยไม่เปลยนยแบบ <c oughs> าน ไ, ไ, ไปอเออน่แหละอย่างที่หลวงพ่อคนหนึ่งก็บอกว่าไปซื้อมันมาสกักกิโลไปซื้อตาช่างมาันหนึ่งนั่งช่างมันไปเรื่อย <c oughs> มันก็อาจจะช่างมันได้ในระบางเรื่องแต่บางเรื่องอาจจะช่างไม่ไหวก็ได้เอาของอะไรที่หวงมากๆรักมากๆนี่มันช่างไม่ไหวนะมันไม่มีแล้วแตตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเอาดีถ้าหายไปหมดได้ก็ดีสอนเพื่อให้คนสบายใจถ้าคนก็สบายใจเราก็สบายเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วถ้าสอนแล้วเขยังทุกข์ใจอยู่เราก็แสดงว่าเราสอนไม่ไม่เป็นสอนไม่ได้ประโยชน์ สอไม่ได้ผลแต่ถ้าใครเอาไปใช้ได้แล้วทำให้ไม่มีไ ม, มไม่มีความทุกข์ใจก็ดีใจด้วยหนูทได้ับเมื่อวานหนูนั่งได้ปิติดุกอาจารย์ทราบต้ามากเลยอะ อ, อย่างว่าไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาบวชจริง อ, อ๋อค่ะก็เลยเอ๊ยโยมพวก็งสงใจเอ๊ะทำไมก็ถึงมาสอนมาบอก ควรยมไปว่าเดี๋ยวไปเช็คไปดูไปดูเห็นเจะไดก<ม>็พูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ได้เรียนมาไม่ได้เรียนมาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเ ข, า, ขาบอกว่าหลวงพ่อโพสต์บอกว่าใครไม่ปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็ว่าเขาโ ง, ง่เขาก็บอกโยนว่าเออมานั่งหลับตายนั่งกอดฐานทําไมอเนี่ยมารับกรรมใช้กรรมอะไร อันนี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นคนพูดหรือเปล่านะอาจจะเป็นลูกศิษย์มันพูดเองเราไปอ้างหลวงพ่อก็ได้เดี๋ยวจะมาหลอกให้พลาตีกันทีหลังก็ไไม่ใช่เขาบอกให้โยมไปไปดูอันนี้เราไม่ได้พูดว่าหลวงพ่อท่านนะแต่ว่าตามที่ลูกศิษย์มาพูดนะไม่ใช่โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงสอนแบบนี้ไม่ทำกรรมฐานพวกเราชาวพุทธเนี่ยอย่างน้อยต้องศึกษาคําสอนของพระเจ้าโดยตรงอ่านพระสูตรสําคัญสักสองสามพรสูตรแล้วจะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร่ ะ, ะให้อ่านธรรมจักรกับวัตนสูตรท่านสอนมารแปดทางสายกลางท่านสอนอริยร 4, สัจสีสศีลสมาธิปัญญาตายักของพวกนี้ชาวพุทธเราต้องรู้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาใครมาพูดอะไรนอกรูก้นอกทางเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่รู้เองอ เ, เขาหลงเองแล้วมาไม่ต้องไปตอบปากตอบ ก็ไเฉียงกับคนตาบอดเป็นปเฉียงได้ความอะไร <Okay. S 1> คนตาบอดมันก็ระวังมันสีดําอย่างเดียวในโลกนี้ไม่มีสีอื่นเนี่ย <Okay. S 1> ก็มึงไม่ลืมตามึงก็เห็นแต่สีดาสีเดียวสิ <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> คนที่ไม่ศึกษาก็คิดไป <Okay. S 1> ก็รู้ตามความรู้สึกนึกคิดของตนไปเท่านั้นเอง <Okay. S 1> อมาทางบ้านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วเรนเนี่ย YouTube วันนี้สูงสุด อันนี้สูงสุดสามร้อยเกือบเจ็ดสิบพันอ่าโอเคอ่สอาส่งคำถามเข้ามาได้คำ ถ, ถามจาก YouTube คำถามจากคุณนัธิดารักษาศีลแปดแต่ไม่อยู่วัดต้องทำงานที่บ้านกับลูกสาวทำสมาทาสมาธิช่วงตื่นนอนและก่อนนอนแล้วแต่โอกาสควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องบ้างคะ อ้าวก็รักษาศีลแปดไปก็ถูกต้องแล้วเป็นแต่ว่าจะรักษาได้มากได้น้อยก็เหมือนกับรักษาพยาบาลที่บ้านกับรักษาที่โรงพยาบาลมันต่างกันไหมรักษาที่บ้านเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่มันไม่พร้อมหมอเหมือพยาบาลมันไม่พร้อมแต่ไปโรงพยาบาลนี่มันพร้อมทุกอย่างรักษาศีลแปที่วัดก็เหมือนกับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาศีลแปที่บ้านก็เหมือนรักษาตัวที่บ้าน รักษาตัวที่บ้านก็รักษาได้ยาก็หากินได้แต่เวลาขาดนู่นขาดนี่ขาดหมอขาดพยาบาลมันไม่มีแต่ถ้ามาวัดนี่มันมีทุกอย่างครบหมดทำให้รักษาสิ่แปดง่ายสบายกว่าอยู่กับคนไม่กินข้าวเย็นด้วยกันมันสบายไม่มีใครมายั่วยวนกวนใจไปอยู่กับคนที่เ็ากินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ชวนเรามาั่งเดี๋ยวกินอาหารก็ชยเข้ามาในจมูกบ้างเดี๋ยวมันก็อดไม่ไหวทนไม่ไหว และรักษาสินที่มันสงบได้มันดีกว่ารักษาสินที่ไม่สงบแต่ก็รักษาไปเถิดรักษาให้เท่าที่เราจะรักษาได้คำถามจาก Facebook Live จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่1การที่บุคคลใดตั้งใจตอบไม่ตรงกับคำถามหรือมีหรือมีเจตนาหลีกเลี่ยงคำตอบโดยการคู่คนละเรื่องแบบนี้ถือว่าผิดสีข้อมุอสาหรือไม่คะ ไม่ผิดหรอกเขาไม่ได้พูดโกหกเขาเพิ่พูดอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเขายังพูดความจริงอยู่แต่เขาไม่ได้พูดเรื่องที่เราอยากจะรู้เท่านั้นเองเพราะบางทีเราสอนรู้สอนเห็นมากเกินไปก็ได้เขาก็เกรงใจว่อย่าพูดต่อหน้าแต่ว่ามันอย่าไปสอนรู้มากเลยข้อที่สองขออุ บ, บายการอยู่กับสิ่งที่น่าอึดอั ด, อดคนที่น่าอึดอัด หรืออยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องฝืนอยู่เพราะเราให้สัตจะไปแล้วว่าเราจะทําให้สําเร็จค่ะก็อัดชอบสิ่งที่เราอึดอัดด้วยสิเราอึดอัดสิงไหนชอบมันในเดี๋ยวมันก็หายอึดอัดที่มันอึดอัดเพราะเราไม่ชอบมันเท่านั้นเองพอเราชอบเราก็หายอึดอัดข้อที่สมเราจะอยู่เหนือความรักความชังได้อย่างไรคะทั้งๆที่เมื่อเรารู้ว่าคนที่เรารู้จักหลอกมาหลายครั้งค่ะ ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเห็นโทษของความรักว่ารักแล้วก็ถูกหลอกหลอกแล้วก็ต้องมาน้ำตาตกในคือให้ใช้ปัญญาใช้ความคิดพิจารณาให้จำในสิ่งที่ควรจำข้อที่สี่การทำสมาธิหลายๆครั้งพบว่าเวลามีเรื่องเข้ามากวนใจ จะบริกรรมพุโทโธได้ยากมากจิตไปคิดถึงตลอดพยายามดึงจิตกลับมาอยู่ที่พุโทโธจิตก็เวียนไปคิดตลอดจนหมดเวลาที่ตั้งการเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันค่ะขออุบายจากพระอาจารย์ด้วยค่ะแสดงว่าสติมีกำลังน้อยก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาชักก็ะเยอะกันถ้าฝ่ายหนึ่งก็มีคนเยอะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมีคนน้อยกว่า ฝ่ายที่มีคนเยอะกว่าก็มีกำลังมากกว่าดึงไปยันถ้าฝ่ายเรามีคนสองคนเขามี20คนนี้เราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเราจะอยากสู้เขาได้เราก็ต้องหาคนมาเพิ่มเพิ่มคนให้มากขึ้นสติของเราถ้าอยากจะให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องพุทธโทให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นไม่ใช่มาพุทธโทแต่เฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวเราต้องพุทธโธตั้งแต่ตื่นเลยอย่างเงี้ยตื่นมาก็พุโทโธไปเลยอาบน้าอาบท่า ล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวก็พุโทโธไปจะหยุดก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดในการทํางานเท่านั้นเองพอไม่ทํางานแล้วก็พุโทโธต่อไปอย่างนี้รับรองได้ว่าวเวลามานั่งเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาไม่ได้เพราะพุทธโทรเราจะมีกําลังมากกว่าที่มันที่มันสู้เรื่องราวต่างๆไม่ได้ก็เพราะว่ามัวแต่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองไม่ค่อยอยู่กับพุโทโธกันพอมานั่งปับเรื่องราวต่างๆมันก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆ ยังต้องพยายามหัดพุโทโธเยอะๆเพื่อกันไม่ให้มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในใจเราแล้วเวลานั่งมันจะสงบได้ง่ายคําถามจากคุณมินนี่หากถือว่าจิตของแม่ที่มีต่อลูกบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาล้นล้วนเป็นจิตของพระอารหันต์ดังนั้นผู้ที่เคยเป็นแม่ก็เปรียบได้ว่าเคยเป็นพระอารหันต์แล้ว แต่ต้องเป็นตลอดเวลากับทุกคนไม่เฉพาะกับลูกของตัวเองใช่ไหมคะไม่ยึดถือปฏิบัติ ด, ดีกับคนที่ยึดว่าเป็นลูกเท่านั้นถึงจะไปพระนิพพานได้ใช่ไหมคะใช่พระหลานนี้ถ้าไม่เรียกว่าเป็นลูกหรือไม่เป็นลูกท่านมีความเมตตาเสมอกันหมดสัเพสัตตาอาวแต่ถ้าแม่หรือพ่อนี้จะมีแต่สัเพสัตสเปกับลูกๆอย่างเดียวเมตตากับลูกอย่างเดียวถ้าเป็นคนอื่นแล้วไม่ไม่มีเมตตา ดันมันจึงถือว่าเป็นพระหลานเฉพาะลูกๆเท่านั้นเองลูกๆทําบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้ทําบุญกับพระหารแต่คนอื่นนี่เขาไม่ได้เป็นผ้าหลานด้วยเพราะเขาไม่มีความเมตตาเหมือนกับเขามีความเมตตาต่อลูกๆแต่พระหารนี่ท่านมีความเมตตาท่ากันหมดทุกคนไม่เลือกว่าเป็นลูกหรือไม่เป็นลูกเป็นลูกศิษย์หรือไม่เป็นลูกศิษย์ก็เมตตาเหมือนกัน ถามจากคุณชาวลิตเมื่อนั่งสมาธิสักหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาการปวดเท้าที่นั่งขัดสมาธแล้วรู้สึกว่ามันบิดตัวเกรงตัวกระตุกบ้างให้ดูอาการพระอาจารย์เทศเคยเทศบอกว่ากิเลสมันเกิดก็ตั้งจิตพุทโธไปเรื่อยๆและดูมันสักพักก็หายปวดหรือปวดน้อยลงแต่มีข้อสงสัยว่าควรถอนจากสมาธิแล้วเดินจงกรมแทนหรือควรนั่งพิจนารณาความรู้สึกนี้ต่อไปครับ ถ้ายัางนั่งได้แล้วทำให้จิตสงบได้ก็นั่งต่อไปเพราะเราต้องการที่จะฝึกให้จิตนิ่งๆเฉยๆไม่พูดไม่ทำอะไรจนกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆค่อยลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อไปนั่งได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะจะทำให้จิตมันนิ่งได้นานขึ้นความนิ่งของจิตนี้สาคัญเพราะว่ามันจะทาให้เราไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าจิตไม่นิ่งมันจะเดือดร้อนพอได้ยินเสียงไม่ดีมันก็โกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจิตนิ่งแล้วได้ยินเสียงไม่ดีมันก็เฉยเฉยใครจะด่าก็เฉยเฉยเรีพยายามทำจิตให้นิ่งมากๆนานๆแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณพิษนุกรถ้าใส่บาตรกับพระที่ศึกไม่ศรัทธาจะได้บุญไหมครับ ก็อย่างที่บอกว่าบุญนี้มันมีสองส่วนไงคือบุญที่เกิดจากการเสียสะละนี้ทํากับใครก็ได้ทํากับหมาก็แมวก็ได้ทํากับผ้าที่ศึกก็ได้ทํากับใครก็ได้บุญเหมือนกันคือเราได้เสียสะละของไปแล้วเรามีความรู้สึกสบายใจมีความสุขใจอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้แต่บุญที่เกิดจากการทําให้คนนั้นเขาไปทําประโยชน์นี้ก็อยู่ที่เขาจะเอาไปทําประโยชน์หรือไม่ เช่นอันนี้ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันหมายความว่าถ้าเราทำบุญแล้วคนที่เราทำบุญเขาเอาเงินที่เราให้ไปกินเหล้าก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเขาเอาไปเรียนหนังสืออย่างนี้ก็เป็นประโยชน์กับเขาหรือว่าถ้าเขาเอาไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นต่ออย่างนี้ก็เป็นประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่เราไปไปกำหนดไม่ได้เราทำได้อยางมากก็ดูคนว่าเขาเป็นคนแบบไหน ถ oh. ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะไปทำความดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้เขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำบุญกับคนที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราอยากจะให้เขาทำความดีก็ไปทำกับคนที่ทำความดีเราก็จะได้ประโยชน์สองต่อได้ความสุขใจแล้วได้เห็นว่าเขาได้ไปทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกต่อนึงคาถามจากคุณเชอร์ การที่เราขับรถไปชนสุ น, นัขหรือแมวกลางถนนโดยไม่ได้เจตนาเลยหรือขับไปทับกิ่งกือบนถนนโดยที่พยายามหลบหลีกแล้วแต่ไม่พ้นจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาคาถามจากคุณนาจิตมีโมหะมากมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างคะก็ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆโมหะก็คือความหลงความไม่รู้ สิ่งต่างๆนั่นเองเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวพอฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเข้าก็จะเห็นกลงจากเป็นกลงจากเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวก็จะหายหลงคำถามจากคุณจุจติจตุพนนั่งสมาธิเลยโดยไม่ต้องสมาทานได้ไหมครับได้ได้สมาธินี้ไม่ต้องสมาทานอยู่แล้วรักษาศีลก็ไม่ต้องสมาทานก็ได้ รักษาไปเลยอยากจะรักษาวันนี้ไม่มีพระมามาไม่ยังพันเตนก็รักษาไปเลยไม่ต้องมารอพระนั้นเดี๋ยวไม่ได้รักษาคําถามจากคุณเสริมศักวันนี้เข้าวัดทาบุญไปบริจาคตู้น้ําใส่ไปวัดใส่สาสิบาทแบงยี่สิบกับเหรียญสิบแต่เหรียญสิบผมดํานิดหน่อยผมขัดแล้วมันไม่ออกได้บุญไหมครับถ้าใช้ได้ก็ไม่ก็ไม่ก็ได้บุญเหมือนกันะ เหรียญเหรีใหม่เหรีเก่าถ้าเอาไปซื้อของได้เหมือนกันก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจากคุณจั ก, กริดเรื่องสติปฏิธานสี่ซึ่งหนักในทางพิจารณากับการเจริญสมาธิควรเจริญสมาธิให้ใจสงบก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาสติปฏิธานสี่แบบนี้ถูกไหมครับสติปฏิทานสี่ <laughs> ใช่มันมีสองตอนเรื่งสติปฏิธานสี่ ตอนแรกให้เจริญสติเพื่อนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบมีอุเบกขาแล้วก็ไปพิจารณาทางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักพิจารณาเมตนาว่าเป็นตายรักพิจารณาจิตว่าเป็นตายรักเพื่อจะได้ปล่อยวางแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้น ส, สมาธิแล้วค่อยค่อขั้นปัญญาทั้งสองขั้นนี้ต้องมีสติเป็นผู้ ประครับประคองจิตไปถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทําใจให้สงบได้ไม่มีสติก็จะไม่สามารถพิจารณาธรรมได้คําถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันเคยได้ยินพระเรียกหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความหมายว่านับถือใช่ไหมคะแล้วใช้กับพระได้ทุกรูปไหมคะอ๋อไม่หรอกคือ ครูบาอาจารย์นี้ที่เราไปอยู่ด้วยนี้ท่านเปรียบเหมือนพ่อแม่ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ท่านเลี้ยงดูเราให้ให้คำสอนให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารอาศัยบรารมีของท่านญาติโยมไปใส่บาตรไม่ได้ใส่บาตรเพราะเราแต่ไปใส่บาตรเพราะครูบาอาจารย์เพราะมีความเคารพนับถือศรัทธาเรื่องสายในปฏิปทาของท่านเราก็เหมือนเหมือนลูกที่ไปเกิดในบ้านของท่าน อาศัยกินอยู่กับท่านไปอาศัยท่านสั่งสอนอบรมการสั่งสอนอบรมก็เป็นอาจารย์การเลี้ยงดูเราด้วยปัจจัยสี่ก็เป็นพ่อแม่เราเลยมักเรียกพ้าอาจารย์ใหญ่ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นพระอาจารย์รองลงมานี่เราจะเรียกครูอาจารย์เฉยๆไม่เรียกไม่เรียกพ่อแม่ครูอาจารย์คำถามจาก youtube หนูเอาเงินดอกที่ได้จากการปล่อยกู่เงินไปทําบุญจะได้ไหมคะได้ดีกว่าไปซื้อเหล้ากินเนะี่ย <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าไ ด, าได้ได้ดอกมาแบบโหดๆก็อย่าอย่าไปเอาแบบนั้นเลยเอาแบบไม่โหดดีกว่าทําบุญน้อยๆแต่เอาแต่เอาเอ า, เอาดอกต่ำๆดีกว่า ทำบุญเยอะๆแล้วก็เอาๆๆเอาเอาดอกเยอะๆนี่มันโหดร้ายมันขาดความเมตตามันไม่บาปแต่มันโลภก็ได้นะเพราะฉะนั้นพยายามถ้าจะปล่อยเงินกู้ก็ให้เอามันน้อยๆแล้วเอาเงินนั้นมาทําบุญก็จะได้บุญเยอะกว่าความสุขใจจะเยอะกว่าเพราะมีความเมตตาคาถามจากคุณพิมพง ผมอยากชนะใจตัวเองครับชนะกิเลส ข, ขอโอกาสถามครับก็ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทนั้นนะถึงจะชนะกิเลสชนะใจของเราได้ถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวันที่เราจะชนะได้เราจึงต้องมาทำทานกันมารักษาศีลกันการทำทานก็ชนะกิเลสคือความหวงความตณ์อีการรักษาศีลก็ชนะกิเลสที่อยากจะไปเบียดเบียนผู้ การนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดความโลภทุกชนิดหยุดความโกรธทุกชนิดการเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะเห็นว่าทุกอย่างที่ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นต่อไปเราก็จะชนะใจเราได้ชนะกิเลสของเราได้ถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีคนนาของมาให้เราแล้วก็ขอบคุณเขา แล้วพร้อมบอกว่าจะนําไปใส่บาปนะคนที่ให้ก็บอกว่าให้เอาไปกินอย่างนี้ถ้ายังนําไปทําบุญจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าทําให้เข า, เาผิดหวังงั้นเวลาใครก็ใหเ้เราเราเล่าเรารับไม่เฉเฉยอย่าไปพูดว่าจะเอาไปโยนทิ้งหรือจะไปให้คนนั้นคนนี้เพราะจะทําให้เขาเสียใจยอย่างโยมถวายของมาเดี๋ยวจเจ้าไปทิ้งหมดนะโยมเนี่ยมันไม่ได้หรอกเดีย๋ยวเราจะไปใช้อะไรนี้เราไม่ต้องไปบอกเขา แล้วรให้ก็ไม่ควรไปถามว่าจะให้เขาไปทําอะไรควรจะให้เป็นสิทธิ์ของผู้รับว่าเขาจะเอาไปทําอะไรจะดีกว่าจะได้เป็นความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายถ้าเราไปกําหนดนี่เราถือว่าเรายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ให้เขาเต็มที่เหมือนกับไปใช้เขามากกว่าใช้ให้เอาเงินนี้ไปทํานู่นทํานี่ก็ แ, แสดงว่าเราไม่ได้ให้เขาจริงๆถ้าให้เขาจริงๆต้องให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้รับ ผู้รับอยากจะไปใช้อะไรพี่เขาเห็นว่าเขาจำเป็นจะต้องใช้เขาจะได้ใช้ได้แต่ถ้าบอกว่านี่เอาเงินนี้ไปสร้างกุฏิให้หน่อยนะนก็ไปใช้เขาสร้างกุฏิแล้วเ ร, เราจึงไม่มักจะไม่อยากจะรับเงินที่มีข้อบังคับก็กําหนดว่าให้ออกไปใช้นู่นใช้นี่คุณก็ไปใช้เองแต่คุณอยากจะสร้างกุฏิคุณก็ไปสร้างอไม่ให้เราสร้างทนไมใช่ไหมเราอยากจะเอาไปทําอย่างอื่นก็ไปทําไม่ได้ยังอย่ามาให้ไม่เอาอยู่ี๋ย ใช่ก็ไม่ต้องมากําหนดกําหนดแล้วก็ไม่เอาดีกว่าคําถามจากคุณสักการินในคํากล่าวที่ว่าผู้รักษาศีลแล้วขาดตกบกพร่องในศีลที่ตั้งใจรักษายังดีกว่าผู้ไม่รักษาเลยขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับมีความเห็นในข้อนี้ครับก็ต่างกันตรงที่คนยังมีความพยายามอีกคนยังไม่มีความพยายามแต่ที่ไม่ต่างกันก็คือยังทําบาปด้วยกันทั้งคู่ แต่อย่างน้อยคนที่พยายามสักวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ทําก็ได้เพราะความพยายามจะนำไปสู่ความสาเร็จต่อไปแต่คนที่ไม่มีความพยายามก็ไม่มีวันที่จะรักษาศีลได้เลยเพราะเขาไม่มีความพยายามก็ต่างกันตรงนั้นต่างกันที่บ้านปลายแต่ในปัจจุบันนี้เท่ากันก็ยังผิดศีลเท่ากันอยู่หมดแล้วเหรอตอนนี้คงถามหมดลค่ะอ่าทางนี้มีใครอยากจะเสริมหม เดี๋ยวให้รอคำถามเขามามีสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรก็พอสมควรอนะ่ะก็ได้ได้แค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเหมือนกับไปตกปลาเนะบางวันก็ได้หลายตัวบางวันก็ได้ไม่หลายตัวจะให้มันเท่ากันทุกวันไม่ได้หรอกธร ม, มาค้าขายก็เหมือนกันบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีฉะนั้นเราต้องยินดีตามมีตามเกิดคือสันโดษ ยิ่งมากน้อยได้ยิ่งดีใหญ่คือว่าวันนี้ได้ตัวหนึ่งหรือได้ศูนก็เอายางดีก็อย่างน้อยเราก็ได้ความเพียรเราได้ความพยายามเวลาเราปฏิบัติธรรมวันไหนไม่สงบก็อย่าไปเสียใจคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ทำเราได้พยายามก็ยังได้อยู่ถ้าไม่ทำอะไรนี่ถึงนี่เรียกว่าไม่ได้เลยฉนั้นอย่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมอย่าถอยทำไปจะได้มากได้น้อยก็ทำไป ทำบ่อยๆแล้วมันจะได้มากขึ้นไปเองเพราะความชํานาญมันจะมีมากขึ้ น, <ม>นการฝึกขัดทําอะไรใหม่ๆมันก็ล้มลุกคลุกคลานไปก่อนเขียนหนังสือใหม่ๆก็เขียนผิดเขียนถูกเพราะเขียนบ่อยๆเท่าเดี๋ยวก็เขียนถูกตัวอักษรก็สวยเพราะความชํานาญงั้นการฝึกฝนรวมจะเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันบ่อยทําอยู่เรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าไปมองที่ผล ให้ดูที่เหตุคือการฝึกผลนี่แหละเป็นการเป็นการสร้างผลขึ้นมาแล้วได้ผลแล้วเพียงแต่เราการที่เรามาฝึกขัดมาฝึกฝนอบรมนี้ก็ถือว่าเราได้ผลแล้วได้ผลจากการได้ามาฝึกฝนอบรมดีกว่าปล่อยให้เวลาไปทําสิ่งที่ไร้สาระหรือสิ่งที่เป็นโทษกันมานั่งสมาธิดีกว่าไปนั่งกินเหล้ากันพูดง่ายๆถ้ามานั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่สงบก็ดีกว่าไปนั่งกินเหล้ากัน เพรนั่งสมาธิมันนี้ไม่สงบแต่นั่งไปเรื่อยๆทั้งวันมันต้องสงบจนได้เพราะมันจะจับประเด็นได้รู้เคสทําไปบ่อยๆมันจะรู้ว่าผิดตรงไหนถูกตรงไหนแล้วมันก็จะไปเสริมความถูกแล้วก็มันจะไปตัดความผิดให้น้อยลงไปต่อไปมันก็จะมีแต่ความถูกนั่งปุ๊บก็สงบได้เลยเหมือนขับรถใหม่ๆก็ขับแบบตะกุกตะกักใช่ไหมเหยียบเบรกเหยีย บ, ยบน้ํามันผิดบ้าง โหทิบ้างแล่วต่อไปก็รู้ว่าต้องเหยียบแบบนี้ต้อ ง, องเหยียบอย่างนั้นแล้วต่อไปก็ชํานาญเนพอขึ้นรถปั๊มนี่พอสตาร์ทปั ก, ก็วิ่งฉลุยเลยอันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างอาศาาัยการฝึกฝนอบรมความเพียรพยายามจะนําไปสู่ความสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ถ้าไม่ไม่ฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวยังไม่หลุดอย่างวันนี้มาฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรถ้าไปปฏิบัติแล้วอาจจะผลช้าบ้างเร็วบ้างมากบ้างน้อยบ้างเดี๋ยวมันก็ได้เองมีมายอีกยัง <มา S 1> อ่ ะ, ะเข้ามาคําถามจากคุณคอปเตอร์ผมทํางานในผัำซึ่งต้องดื่มเหล้าทุกวัน มันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้าใจว่าผิดศีลห้าแล้วผมต้องทํายังไงดีครับอ๋อไม่จริงเหรอเขาไม่ได้บังคับให้ดื่มนหน่นอนเขาให้เราไปทํางานในผับแต่เราไม่ต้องไปดื่มเราอยากจะดื่มเองแล้วก็มาอ้างว่าถูกบังคับให้ดื่มคน <c oughs> ที่ทํางานผับไม่ดื่มก็ได้ที่เขาแม่ไปทํางานในผับเพราะมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวอดไม่ได้เห็นคนอื่นก็ดื่มว่าเดี๋ยวหรือคนอื่นมาขยั้นขยออก็เลยต้องดื่มตามเขาไป พอดื่มแล้วเดือมมันก็ติดแต่ถ้าเราจำเป็นจริงๆจะต้องทำแน่ๆแล้วเรายังอยากจะรักษาสีข้อห้าอยู่เราก็รักษาได้ก็บอกกขาผมไม่ดื่มผมดื่มน้ำแค่นี้ก็จบใช่ไหมใครก็จะหยิบเหล้ามาก็เราก็หยิบรับไว้แล้วก็เทพอเข้าไปเราก็เททิ้งไปซะมันก็หมดเรื่องอยู่ที่ตัวเราต่างหากตัวเรามันอยากจะดื่มแล้วก็มาอ้างว่าเขาบังคับให้ดื่มหรือทางานแล้วต้องดื่ม คำถามจากคุณทนายกวินพันธุ์ผมยิ่งปฏิบัติทำไมยิ่งทุกข์ครับธรรมดาการปฏิบัติมันก็ต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขถือศีลแปดนี่มันสุขเมื่อทุกข์กันถือศีลห้ามันสุขเมื่อทุกข์กันใช่ไหมมันทุกข์แต่บรรทุกเพื่อความสุขแต่ดีกว่าไปทําสิ่งที่สุขแล้วมันไปทุกข์ในบ้านปลายไปกินเหล้าแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นโรคมะเร็งไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะ แข็งตายก่อนไว้อันนี้สุกก่อนทุ ก, ส, กสุกต้นแต่ทุกปลายการปฏิบัติธรรมนี่มันทุกต้นแล้วแต่มันจะไปสุกปลายทุกคนต้องทุ ก, กันทั้งนั้นปฏิบัติธรรมแต่มันเหมือนกับกินยาขมไงกินยาขมแล้วเดี๋ยวมันโรคมันหายหายแล้วมันก็สบายใช่ไหมดีกว่ากินน้ําตาลกินของหวานแล้วก็เป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วก็ตายด้วยโรคเบาหวานจเจ้าอย่างไง ย า, ยาขมก็ยาวน้ําตาลถ้ากนินยาขมก็อายุยืนยาวร้อยปีถ้ากินน้ําตาลก็ห้าสิปีก็ตายจะเอาไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องทุกข์แต่เดี๋ยวมันจะสุขตอนตอนที่สําเร็จตอนที่บรรลุจะได้พบกับบรมังบาลมังสุขขังบรมมาสุขนี่บาลังปรมังสุขขังนี่มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติผลขั้นสูงสุดคือบรมมาสุข แต่ต้องผ่านความทุกจากการทำบุญทาทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่กับความเป็นความตายมันถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ยนันต้องทุกข์ด้วยกันทุกคนดูพว ะ, จ ะ, จะเจ้าทุกขนาดไหนสลบสลายต้องสามผลบอดข้าวต้องสี่สเก้าวันเนี้มันทุกข์หรือเปล่าทุกข์แต่ผลเป็นยังไงได้เป็นพระบรมศาสดา ได้นิบานังปรมังสุ ข, ขังไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเราต้องดูบ้านปลายดูผลในบ้านปลายว่าเรามันจะต้องเจอสิ่งนั้นนะถ้าเราเอาความสุขปัจจุบันเดี๋ยวมันจะต้องทุกข์ในบ้านปลายเพราะต่อไปร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความสุขที่เราต้องการได้ก็จะกระโดดตึกตายกันแต่ถ้าเรายอมอดยอมทุกข์ อดอยากขาดแคลนไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มทุกทรมานกับมันไปแล้วทำใจให้สงบได้ต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายสบายร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขเหมือนกับไม่เหมือนกับมีร่างกายที่เป็นปกติคำถามต่อไปคำถามจาก u t u b e ปัจจุบันกระผมมีความสนใจในธรรม แล้วมีเพื่อนที่ไม่สนใจทําเราควรทําอย่างไรดีครับเลิกคบเลยจะดีไหมครับก็ไม่ก็ตัวใครตัวมันไงก็เวลาไปกินอาหารยังไม่ได้สั่งอาหารเหมือนกันได้ไม่ใช่หรือคนสั่งข้าวผัดอีกคนสั่งก๋วยเตี๋ยวก็ยังก็ยังคบค้าสมาคมกันได้เรื่องไหนที่ไม่เหมือนกันก็เก็บเอาไว้อย่างที่เขาพูดเสมอว่าให้สมนุนส่วนต่างประสานส่วนเหมือน เวลาอยากจะอยู่ก like like to to so to so ับใครก็เอาเรื่องที่ชอบมาคุยกันเรื่องที่ไม่เห็นตรงกันก็อยาเอามาคุยกันเท่านั้นเองก็ยังอยู่กันได้มีมิตรดีกว่ามีศัตรูเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันเพราะเป็นมิตรกันยังก็ยังพึ่งพาอาศัยกันได้ช่วยเหลือกันได้ยังถ้าไม่มีความจําเป็นอย่าไปมีศัตรูแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆที่จะต้องแยกทางกับเขาเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันแบบเป็นมิตรแยกกันไปอ อย่ากโกรธกันเกียดกันแยกเพราะว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันมีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน<ม>ก็เท่านั้นเองคําถามจากคุณแอลเมืวว่อวานผมขับรถเหยียบงูโดยไม่เห็นโดยไม่เห็นไม่ตั้งใจพยายามหลบแล้วแต่ไม่พ้นพระอาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ผิดแต่ทําไมใจผมมันรู้สึกผิดมากติดในใจทั้งคืนจนตอนนี้ครับเพราะเราไม่รู้ความจริงไง เราไม่รู้ว่ามันไม่เป็นบาปเราคิดวันเป็นบาปเราก็เลยไม่สบายใจแต่วิบากอาจจะมีก็ได้นะชาติหน้ า, าจจะไปเกิดเป็นงูให้เขาเอารถมาทับเราก็ได้นะอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้คาถามจากคุณอินรีกู๊แดงต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงดีครับถ้าอยากไปนิพพานก็นั่งน ง, นงทั้งวันทั้งคืนนะยกเว้นเวลาหลับเท่านะั้นคะาถามจากคุณตุ๊ก พยายามปฏิบัติทุกวันสวดมนต์ภาวนาย่อมถึงจุดหมายสักวันใช่ไหมครับใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคําถามจากคุณทศพลพวกที่ทรงเจ้าเข้าผีมีจริงไหมครับก็มีไงแต่พวกพวกผีพวกเจ้าไม่มีแต่พวกทรงเจ้ามีมีเยอะแยะไปก็เห็นไมหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ผีเจ้ามาทรงไม่มีผีก็อยู่ส่วนผีเจ้าเขาก็อยู่ส่วนเจ้าเขาไม่มายุ่กับจิตใจเราหรอ คำถามจากคุณมงคลการโกหกพ่อแม่เพื่อให้ท่านสบายใจสมควรหรือไม่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโกหกแบบไห น, นถ้าโกหกเพื่อใบบวชนี่แล้วแล้วพ่อแม่สบายใจก็ไปเลยถ้าโกหกเพื่อทำความดีทำไปเลยถ้าโกหกเพื่อไปกินเหล้าเมายาก็อย่าไปโกหกดีกว่าเฉนันไม่อยากให้พ่อแม่รู้ว่าเรากินเหล้าเมายาก็เลยโกหกอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ดี แต่ถ้าอยากจะไปบวชแล้วพ่อแม่ไม่อยากให้เราไปบวช้ววก็โกหกว่าเราไปที่อื่นแล้วเราไปบวช ด, ดีถ้าโกหกเพื่อทำความดีดีถ้าโกหกเพื่อทำความชั่วไม่ดีเขาเขายกตัวอย่างมาว่าเช่นน้องสาวมีความทุกข์แต่ไปโกหกว่าน้องสาวสบายดีเพื่อให้ท่านหมดห่วงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ <c oughs> เราไม่รู้จะคุย <c oughs> บทก็ยังเอาให้บทนะเพราะใกล้เวลาแล้วถ้าไม่มีก็จะปิดท้ายแล้วยังมีเข้ามาอยู่เลยมีจาก YouTube ค่ะอ่าเข้ามาคำถามจาก YouTube ถ้าเราเคยมีเพื่อนไม่จริงใจเราควรอยู่อย่างสันโดษหรือมีมีสังคมอย่างไหนดีกว่ากันคะ พ, พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราหาคนที่ดีกว่าเราหรือดีเท่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมไม่ขาดทุนถ้าอยู่กับคนที่เร็วกว่าเราเราก็ขาดทุนนะถูกเขาหลอกถูกเขาโกงเหมือนกันใช่ไหมโอเคนะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็ขอปิดรายการไว้เพียงแค่นี้